จึงได้ใช้เวลาอันมีคุณประโยชน์มาวัดเพื่อมาประกอบสิ่งที่ดีที่งามตามแนวทางที่พระพรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาเพราะเรามีความเชื่อมั่นในความเป็นนักบราร์ชของพระพุทธเจ้า ในความเป็นบัณฑิตของพระพุทธเจ้าในความเป็นคนฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจึงเชื่อว่าวิถีทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วได้นำมาเผยแผ่สัมสอนให้พวกเราเราได้ดำเนินตามนั้นเป็นวิถีทางของคนฉลาด เป็นทางที่จะนําพาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นกุศลเป็นทางแห่งความฉลาดคําว่ากุศลนี้แปลว่าความฉลาดส่วนอกุศลนี่แปลว่าความไม่ฉลาดทางดําเนินชีวิตของพวกเราก็มีอยู่สองทางด้วยกันคือทางแห่งกุศล และทางแห่งอกุศลอยู่ที่เราจะเลือกไปทางใดทางกุศลนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปส่วนทางอากุศลนี้เป็นทางที่กิเลสตัณหาได้พาพวกเราไปกันถ้าเราไปทางพระพุทธเจ้าเราก็จะไปแต่ทางที่ดี ได้รับผลที่ดีที่งามตามมาถ้าเราไปทางแห่งอกุศลคือทางของกิเลสตัณหาก็จะพาเราลงสู่ที่ต่ําพาเราไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความเสื่อมดังนั้นผลทางนี้เป็นทางเลือกสําหรับพวกเราไม่มีใครสามารถเดินให้กับพวกเราได้ พวกเราต้องเป็นผู้เดินเองและต้องเป็นผู้เลือกเองว่าจะเดินไปทิศ ท, ทางใดเพราะนี่เป็นหลักของธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะเดินแทนกันได้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเดินเอาว่าจะเดินไปทางไหนจะเดินไปในทางของนักปราช ราชบัณฑิตพ ย, ย่างพระพุทธเจ้าหรือจะเดินทางไปตามทางของอคนพาลคือพวกโลกโมโทสันทางของกิเลสตัณหานั่นก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของทางทั้งสองทาง คือจุดหมายปลายทางของทางกุศลนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งจุดหมายปลายทางของอกุศลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีความแตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินอย่างร้อนกับเย็นคือสวรรค์กับนรกนั่นแหละคือความแตกต่างถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราดำเนินไปตามทางของกิเลสตัณหาตามวิถีทางของคนพานก็จะนําพาเราไปสู่อบาย นำพาเราไปสู่นรกแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตของเราตามแนวทางของนักปราชญ์มหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าก็จะพาเราไปสู่สุคติไปพบภูมิที่มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขตั้งแต่พภูมิของมนุษย์ขึ้นไปจากมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมไปสู่อริยะ มรรยาพนนี่คือผนทางของนักปราชญ์ทีนี้อยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อหรือไม่ <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์เองนั่นเองคือไม่มีใครสามารถที่จะมาพิสูจน์ให้เราได้ <c oughs> เหมือนกับอาหารจานเด็ดที่เขามีตั้งไว้บนโต๊ะ แล้วเขาก็บอกว่าอาหารจารนนี้เลิศลสที่สุดในโลกไม่ว่าใครรับประทานแล้วจะต้องยอมรับว่าเป็นอาหารที่วิเศษจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้ลิ้มรสเราไม่ได้รับประทานเราจะไม่รู้เลยว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างที่เขาพูดไว้หรือไม่ถ้าเพียงแต่ดูเฉยๆมองเฉยๆเราจะไม่รู้ว่าเป็นอาหารเลิศโลกหรือว่าเป็นยาพิษ ที่จะรอทำลายเราฉันใดหนทางทั้งสองทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กับพวกเราได้รู้จักโดอหนทางของบัณฑิตและหนทางของคนพาลก็มีผลแตกต่างกันหนทางของคนพาลก็นำพาไปสู่อบายพาไปสู่นรกพาไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมเสียหนทางของบัณฑิตก็พาไปสู่ ความสุขพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพาไปสู่สวรรค์พาไปสู่การสิ้นแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นสองทางที่พระพุทธเจ้าได้นําเสนอให้กับพวกเราอยู่ที่พวกเราจะเลือกว่าเราจะเลือกไปทางไหนเหมือนกับ คนที่เขาทำอาหารเขาเอาอาหารมาตั้งไว้สองจานให้เราเลือกเขาบอกนะอาหารจานอย่างนี้อาหารอะไรยอร่อยอาหารอีกจานนิ่งเป็นอาหารที่บูดรับประทานเข้าไปแล้วท้องจะเสียให้เลือกเอาว่าจะรับประทานอาหารจานไหนเพราะไม่มีใครม า, บ, ารบับางคับบังคับให้เรารับประทานอาหารจานจานนั้นหรือจานนี้ได้อยู่ที่ตัวเราเองจะตัดสินใจ อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อคนที่เขาเอาอาหารมาวางไว้ให้กับเราว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เสนอความจริงทั้งสองส่วนส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีให้กับพวกเราได้เลือกได้ตัดสินใจเอาแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ ความดีหรือความชื่อของทางสองทางทั้งสองทางนี้ให้กับเราได้แต่พระพุทธองค์เองนั้นได้พิสูจน์มาแล้วทั้งทางดีและทางไม่ดีจนมีความมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซนตเพราะได้สัมผัสกับผลอันเลิศที่เกิดจากการได้ปฏิบัติทางที่ดีและเคยได้สัมผัสกับทาง ผลของการปฏิบัติในทางที่ไม่ดีจึงรู้ทั้งผลดีและผลร้ายของทั้งสองทางจึงได้นํามาประกาศมานําเสนอให้กับพวกเราได้รับรู้เพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสเลือกเพราะเมื่อก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเสนอนั้นพวกเรานี่ลอยทั้งร้อยจะเลือกไปในทางที่ไม่ดีทั้งนั้น เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าจิตใจของเรานั้นถูกอานาจของกิเลสตาถาโมหะอวิชชาครอบงาอยู่นั่นเองเราจะทําอะไรนี้ส่วนใหญ่เราจะทําตามความอํานาจของความโลภของความอยากทั้งสิน้นไม่ได้ทำไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากนั้น มันให้ผลดีเลิกผลเสียกับเราเช่นเรามีความอยากเดิมสุาอยากไปเที่ยวอยากไปเล่นการพนันอยากอยู่เฉยๆงอมืองอเท้าคือมีความเกียจคร้านไม่ชอบทำอะไรไม่ขยันทำงานไม่ขยันเรียนหนังสือแต่อยากจะได้อะไรเยอะๆเยอะๆแต่ไม่มีความสามารถ ก็เลยต้องหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างนี้เป็นวิถีทางของคนที่ถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำ จ, จิตใจแล้วผลเสียก็ตามมา คือความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจแล้วก็ต้องถูกจับไปลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกกักขังก็จะต้องถูกเคี่ยนตีหรือถูกทำลายชีวิตไปเพราะว่าถ้าปล่อยให้นำเนินกิจการที่เกิดนำเนินมาก็จะต้องสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น จึงไม่สามารถปล่อยให้อยู่อย่างอิสระทำอะไรตามอำเภอใจได้เพราะเมื่อปล่อยให้เป็นไปตามความอำเภอใจแล้วก็มักจะไปในทางที่ไปสร้างความเดือดร้อนคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเช่นสัตว์ร้ายทั้งหลาย พวกเสือพวกสิงกระทิงแรกมักจะต้องถูกจับขังไว้ในคอกในกรงไม่สามารถปล่อยให้ออกไปเพ่นผ้าตามอำเภอใจได้เพราะถ้าปล่อยให้สัตว์เหล่านี้อยู่นอกคอกนอกกรงก็ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอนคนที่ไม่มีความรู้ทางด้าน ความถูกผิดดีชั่วคือขาดกุศลความฉลาดก็มักจะเป็นคนที่เป็นในลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่ไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วจึงมักจะทำอะไรที่ไปในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พบปะกับนักปราชญ์ ไม่มีโอกาสได้พบกับบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้มีความรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องผิดถูกดีชั่วรู้เรื่องการกระทำต่างๆว่ากระทำแล้วจะมีผลอย่างไรตามมาถ้าได้มีโอกาสได้เจอบัณฑิตเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ยินได้ฟัง ถึงวิถีทางทั้งสองทางคือทางที่ดีทางที่เจริญทางที่เรียกว่ากุศลและทางที่ไม่ดีทางที่เสือ่อมทางที่เรียกว่าอกุศลเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ใช้ความรู้ดีมาเปรียบเทียบกับวิถีทางของเรา ตรวจตราดูว่าเรากำลังดำเดินไปในทิศทางใดถ้าเราไปในทิศทางที่ไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงได้เพราะเรามีข้อมูลที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสนอทรงสอนให้พวกเราได้รู้จักนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะ ให้ความสําคัญต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ควรที่จะมองเห็นว่าธรรมะนี้เป็นเรื่องราสมัยเป็นเรื่องของคนโบราณเป็นเรื่องของคนที่งมงายเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนของนักปราชญ์เลยทีเดียวไม่ใช่คนธรรมดา สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นแม้นว่าฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนนิยายเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเรานั้นยังขาดภูมิปัญญาขาดความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้นั่นเอง ถ้าเปรียบเทียบพวกเราก็เหมือนกับคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนตาดีคนตาดีย่อมเห็นสิ่งต่างๆได้เต็มที่แต่คนตาบอดนี้ย่อมไม่เห็นอะไรเลยแล้วเมื่อไม่เห็นอะไรเลยเวลาคนตาดีมาพูดมาบอกว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ไม่สามารถเห็นตามที่คนตาดีพูดได้ ก็จะคิดว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อก็ได้นี่คือลักษณะของจิตใจของปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเรานั้นมืดบอดด้วยโมหะาอาวิชชาโมหะก็คือความหลงคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นกลับตาลปัดนั่นเองเหมือนกับคนที่ ตาบอดนั้นถึงแม้จะเป็นมีแสงสว่างอยู่รอบตัวเองแต่ก็จะเห็นแต่ความมืดเห็นเห็นความสว่างว่าเป็นความมืดไปใครจะบอกว่าขณะนี้เป็นเวลากลางวันก็ไม่เชื่อเพราะเขานั้นอยู่ในความมืดเขาเห็นแต่ความมืดเขาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวลากลางคืน นี่คือลักษณะของจิตใจของเราเมื่อถูกโมหะครอบงำอยู่ถูกอวิชชาความไม่รู้จริงครอบงำอยู่ก็จะเห็นอย่างนี้เห็นแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นอะไรเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตน พวกเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วพวกเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายกันไปเราก็คิดว่าเราจะอยู่กันไปตลอดไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือความหมายของความเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็คือ เราเห็นว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสมบัติเข้าของเงินทองมีตำแหน่งใหญ่โตมีคนสรรเสริญเยินโยมีความสุขที่ได้จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถ ภ, ภะต่างๆเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปรับประทานไปดื่มอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ว่าเป็นความสุขแต่ความจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้นั้นมีความทุกข์อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาวันไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมีความสุขหรือไม่เราไม่มีความสุขแล้วเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวดังใจเราอยากจะไปดูหนังไปฟังเพลงไปดื่มไปกินแต่ไม่มีเงินที่จะไปเที่ยว ไปเดินไปกินเราก็จะต้องมีความเศร้าส้อยหน่อยเหงาอยู่กับบ้านกับช่องนี่เป็นความทุกข์แล้วทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เสพสิ่งที่อยากจะเสพแต่คนที่เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์เขาก็หักห้ามจิตใจของเขาเขาพยายามไม่เสพสิ่งเหล่านี้ไม่ดูหนังก็ไม่ตายไม่ไปเที่ยวก็ไม่ตาย ถ้าจะดื่นจะกินก็เด่นกินแต่เฉพาะความจำเป็นเพื่อรักษาอัตภาพร่างกายเท่านั้นแต่ไม่ได้ดื่มได้กินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสุขอะไรเมื่อเขาสามารถฝึกจิตใจของเขาไม่ให้ไปมีความผูกพันมีความติดความอยากกับสิ่งเหล่านี้แล้วความอยากมันก็ไม่มาผลักดันให้อยากจะออกไปดื่มไปกินไปเที่ยว เมื่อไม่มีความอยากมาผลักดันให้ออกไปก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองเรามักจะเห็นว่าถ้าเรามีเงินมากๆเราจะมีความสุขถ้าเรามีตำแหน่งสูงๆเราจะมีความสุขถ้าเรามีคนสรรเสริญเยินยอเราจะมีความสุข แต่เราไม่เคยมองถึงมุมกลับเวลาเกิดเงินทองมันหมดไปจะทาอย่างไรเมื่อเรามีความสุขกับการมีเงินพอไม่มีเงินขึ้นมามันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อเราเคยมีความสุขกับการมีตาแหน่งใหญ่ๆโตๆพอถึงเวลาที่ถูกเขาปลดออกไปเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกทุกข์มาก ทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่ไม่มีตําแหน่งเราก็อยู่ได้ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยแต่พอเราไปมีตําแหน่งเข้าแล้วเกิดถูกเขาปลดไปเท่านั้นเองเราก็ต้องทุกข์ถึงกับแทบจะทนอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวอย่างนี้เราจะเป็นเรียกว่าเป็นความสุขได้อย่างไรมันเป็นความทุกข์ที่รอเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ที่รอ เวลาเราไม่มีเงินความทุกข์ที่รอเราเวลาที่เราถูกปลดออกจากตําแหน่งความทุกข์ที่รอเราในขณะที่จากคนที่เคยสรรเสริญชื่นชมยินดีเรากลับกลายเป็นคนตําหนิคอยว่าคอยคอยด่าเราอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราเคยชินกับการ ได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งสูงสูงได้รับการสรรเสริญเยินยอพอมันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปเราก็จะไม่สามารถทนฟังได้ทนรับกับสภาพนั้นได้แต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วไม่ไปพยายามไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้ เงินได้มาก็มีไว้สําหรับใช้สําหรับสิ่งที่จําเป็นก็พอไม่ต้องมีมากคือพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พออยู่พอกินได้ก็พอแล้วตําแหน่งก็ไม่เป็นไรจะไม่มีตำแหน่งอะไรก็ไม่ไปยึดไปติดได้มาก็รับไว้เขาต้องการจะเอาคืนไปก็ให้คืนไปทำสรรเส ร, ริญก็เช่นเดียวกัน เป็นปากของคนอื่นเราไปบังคับปากของคนอื่นเขาไม่ได้เขาอยากจะชมเราเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราใจเราอย่าไปหลงเราต้องคอยเตือนใจเราเสมอว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เขาชมเราวันนี้พรุ่ง น, นี้เขาด่าเราได้ หรือเกาด่าเราวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ชมเราได้เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปยินดียินร้ายแล้วมันก็จะเป็นแต่สักแต่ว่าเป็นลมปากเฉยๆเท่านั้นเองเพราะว่าเราเข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เราจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจเราไว้หักห้ามจิตใจของเรา ไม่ให้ไปหลงไปยินดีอย่าไปคิดว่าเป็นความสุขเวลาใครเขาชมเราเพราะถ้าไปปีนความสุขแล้วมันก็จะต้องเกิดความทุกตามมาเมื่อเขาไม่ชมเราหรือเขาด่าเรานี่นี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นกับตาเราปัดเรียกว่าเป็นความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่ใช่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์และประการที่สามเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราเห็นอะไรเป็นตัวตนบ้างก็เห็นร่างกายของเราของพวกเรานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้ากับนักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระอริยสงสารโลกทั้งหลายท่านกับเห็นตรงกันข้ามกับเรา ท่านกลับไม่เห็นว่าท่านกลับเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ท่านลองพิจารณาดูแยกแยะอาการต่างๆออกมาผมก็สักแต่ว่าเป็นผมผมนี่มันมีตัวตนไหมเวลาเราตัดผมแล้วเราโยนทิ้งไปมันกลายเป็นอะไรไปในที่สุดมันก็กลายเป็นดินเป็นอะไรไปแล้วเราตัดออกมาทิ้งไปก็เหมือนกัน นังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนอันเป็นสัตว์แต่ว่าอวัยวะเท่านั้นเองเช่นเวลาเราไปตลาดเขาเอาเนื้อสัตว์มาชําหละขายเขาก็ไม่มีตัวตนอยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านั้นเวลาเรากินเข้าไปเราก็ไม่ได้กลายเป็นสัตว์เหล่านั้น<ะ>เราก็ยังเป็นเราอยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นเอง มันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟเคอมาจากข้าวนี่มาจากอะไรข้าวก็ต้องปลูกในดินต้องมีน้ำต้องมีแดดต้องมีลมข้าวถึงจะเจริญงอกงามได้พวกผักพวกใบห ญ, ญ้าต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายกินก็กินใบห ญ, ญา้า เมื่อกินใบหญ้าแล้วก็กลายเป็นสัตว์ขึ้นมา <c oughs> กลายเป็นหมู <c oughs> เป็นวัวเป็นควายแล้วเมื่อเราเอามารับประทานเข้ามามันก็กลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกที่มีอยู่ในตัวของเราแต่มันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนั้นเลยมันเป็นการรวมกันเข้ามาของดินน้ำลมไฟมาในรูปของอาหารต่างๆที่เรารับประทานกัน เรารับประทานข้าวเนื้อผักผลไม้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดมาจากดินน้มลมไฟทั้งนั้นถ้าไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีลมไม่มีไฟสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ได้สิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อมันประกอบกันขึ้นมาแล้ว มันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปเป็นต้นไม้บ้างเป็นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเหล่านี้ล้วนเป็นดินน้าลมไฟทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนเลยแล้วตัวตวนมาจากอะไรพระพุทธเจ้าหลังจากได้ศึกษาค้นคว้าดูมันก็ออกมาจากความหลงนั่นเองคือเราสมมติกันขึ้นมา สมมติว่านี่ร่างกายอันนี้เป็นตัวฉันนะร่างกายอันนั้นเป็นตัวเธอนะแล้วก็มายึดมาติดกับร่างกายอันนี้ว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราพอเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องแตกสลายแยกกับคืนสู่ธาตุเดิมกับสู่คืนสู่ดินน้ำลมไฟใจผู้มีความหลงมาครอบครองอยู่ ก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความทุกข์เกิดความละสังละสายนี่เป็นเกิดเพราะมีความหลงหลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกฝนมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงพยยามสอนเราให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นการมารวมตัวของดินน้ำลมไฟ ผ่านพวกกับกับข้าวกับปลาอาหารแล้วก็มากลายเป็นร่างนี้กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับกระป๋งที่เอาข้าวเอาของต่างๆมารวมใส่มันไม่มีตัวไม่มีตนฉันใดร่างกายก็ไม่มีตัวไม่มีตนฉันนั้นถ้าหมั่นสอนอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปก็จะเห็นเองจะเข้าใจเองเมื่อเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ไม่เดือดร้อนอะไร <c ười> พอรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปสู่สภาพเดิมของมันกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟคนเวลาตายไปก็สังเกตดูไฟก็จะออกจากร่างก่อนไปจับร่างกายก็จะรู้สึกเย็นลมก็จะออกไป น้ำก็จะไหลออกมาเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นพวกกระดูกระดเนื้ออะไรต่างๆทิ้งไว้ต่อไปก็แห้งกรอบแล้วในที่สุดก็จะผุจะเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนในร่างกายของเราเลยล้วนเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟทั้งนั้นนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขเราต้องพยายามมาสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆอย่าไปเห็นกับตาประปัดให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นเคยเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตน ด้วยการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปสอนตัวเราเองอยาสักแต่ว่าฟังฟังแล้วก็ไม่คิดถึงมันอีกแล้วมันจะลืมไปจากใจเราแต่ถ้านำไปคิดเรื่อยๆนำไปสอนใจ่เรื่อยๆต่อไปเวลาความหลงมันจะมาหลอกเรามันจะหลอกเราไม่ได้มันจะมาบอกว่าร่างกายนี้เป็นเรามันจะหลอกเราไม่ได้ เพราะเรามีความรู้จริงอยู่ในใจของเรามันจะมาบอกว่าไอ้นี่เป็นความสุขหลอกเราไม่ได้เราจะเห็นเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุข <c oughs> ถ้าจะมาบอกว่าไอ้นี่มันเที่ยงแท้แน่นอนก็หลอกเราไม่ได้เพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายร่างกายนี้มันไม่อยู่ไปตลอดแต่ในขณะนี้เราไม่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในใจของเราเลยเ <c oughs> วลาเราคิดอะไรเราจะทาอะไรเราคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอด ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บเล ย, เ, ยเวลาอยากจะได้อะไรมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังอยากจะเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นความสุขทั้งนั้นเวลามองไปที่ไหนก็จะเห็นแต่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟนี่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเรา ด้วยการศึกษารําเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําพระธรรมคําสอนนั่นมาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆภาวนาคําว่าภาวนาก็คือการสอนใจเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือสอนให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่อย่าปล่อยให้ความหลงมาหลอกเราว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน เราต้องพยายามสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังถาวอนยั่งยู่